เทศอบรมพระวันที่14มิถุนายน2521เร่งปลุกใจดีเทศการคิดการพูดการกระทำของพระในครั้งพุทธกาลไม่หันหลังให้มรรคผลนิพพานทุกอาการหันหน้าเข้าหามรรคผลนิพพานแต่สมัยปัจจุบันเป็นอย่างไรพวกเราคิดเอาเองในตัวเราตัวท่าน สติเป็นสำคัญในความเพียรทุกประโยคนี่ดีสำหรับพระฟังอัดได้สำหรับพระการสอนเตินไปด้วยวผมผ่านดินถ่ายด้วยการคิดการพูดการกระทําทุกเนี่ยทุกมุมรวมคืนกันไปกับมรุญ ผ, ผ่าน แม่หันหลังให้มรุณิพานด้วยการคิดการพูดการทาต่างๆเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นจึงกรกฎว่าผู้สดบกลับฟังเข้าว่าของพระโพธิจารย์และสาวกด้วยกันก็ดีอุปปฏิบัติอยู่โดยลำพังก็ดีจึงมีทางรู้ธรรมเห็น ทางบรรลุนับผลมิพานโดยลำหนับลำดาไม่ขาดรักขาดตอนผิดกับสมัยปัจจุบันนี้อยู่มากทีเดียวการศึกเราพอทราบได้ว่าสาเหตุพาให้ผิดกันสมัยปัจจุบันนี้เราพูดถึงเรื่องพระเราเองนี่ตัวอยู่ในวัด แต่หันหน้าออกวัดความคิดความตรุ ง, งต่างๆเลื่อนแล้วจะเป็นโลกเป็นสงสารเป็นเครื่องสั่งสมจิตวิยาการพูดการจาออมาเป็นไปเพื่อการสั่งสมจิต ก, การกระทำคนละการหันหลังให้วัดหันหลังให้ข้อปฏิบัติหันหลังให้ ม, มรรคผลนิพพานเรจามรรคผลนิพพานมาจากที่ไหน หันหน้าไปตรงไหนก็ได้สิ่งนั้นทรงจิตใจไปทางใดก็ยอมได้รับผลจากทางนั้นจิตใจในขณะหนึ่งหนึ่งได้คิดถึงหักถึงธรรมมากน้อยเพียงไหนส่วนมากมีแต่เรื่องของจิ่เดชปัญหาอาชวะพัวพันอยู่ภาณในจิตใจแม้ที่สุดตั้งหน้าภาวนายัางเขบาแทบถึงได้ ทั้งผู้ถืการพระพุทธเจ้าท่ า, าเทียมโลกพระพทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลิภา น, านอัทธธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนกับสินค้าที่ทรงแสดงออกผู้มาได้ยินได้ฟังมาศึกษาอารมณนั้นเหมือนกับผู้มาจากตลาดตลาดเก่อนไปด้วยวัตถุสินค้าต่างๆ เอาขนาดไหนเอาจากอย่างไหนชนิดใดราคาสูงราคาต่ามีอยู่ในท้องตลาดหมดไม่บกพร่องสมบูรณ์ตลอดเวลาเช่นเดียวกับตลาดตางโลกทงางนาสัยเขาผู้วิจาร์ตลาดลูกค้าจะเอาไปเลือกเป็ชนิดใดมีหมดในตลาดนั้นๆยังศาสนา พระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่ ง, หงมรรคผลนิพพานเจ้เองสินท้าประเภทต่างๆได้แจกเข้าอาว่าคัน ส, สอนมีทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกผู้ที่ใจผู้มาติดต่อเกี่ยวข้องทึกษาอบกรกมได้รับผลประโยชน์ไปเพื่อตัวเอง ไม่ขาดทุนทุนดอกไม่เสียเวล่งเวลามาประพฤติปฏิบัติระดับจากฟังพระโอาวาทจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี่คังพุทธการเป็นอย่างนี้แล้ว่าท่านผู้ใดนักแต่พระราชมหากระสับลงมามีความเจื่อความสับไสในพระโอาวาทของพระพุทธจเจ้าแล้วเสด็จออกบวช และออกบวชกันเป็นลําดับลํานานับแต่พระราชามหาศักดิเศรษฐีกระดินปีก็ถ้าประชาชนคนธรรมดามีทุกขั้นทุกคุณทุกชาต์ท่านหมือนที่มาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านผู้ใดะออกมาจากสกุลใด มาได้ความเชื่อความนมงสัยมีจิตใจใคลาต่อธรรมอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะฉะนั้นการฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจการประพฤติปฏิบัติเพื่ออัตถานั้นนั้นจะปรากฏขึ้นในจิตทุ่งตนขอปฏิบัติเรียบความตั้งใจจริงๆผลที่ผลได้รับในการปฏิบัติก็อย่างน้อยความสงบเย็นใจ มากกว่านั้นก็บรรลุทำขั้นนั้นๆจนถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นผลสุดยอดเพราะผู้แสดงก็แสดงด้วยความถูกต้องแน่นยันเนื่องจากทรงประพฤิปฏิบัติทรงรู้ทรงเห็นมาทุกจินทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในบรรดาทำตั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายดีและชัว่ว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 จึงเรียกว่าเป็นศาสดาขององเอกในอุบายวิธีการสั่งสอนไม่มีใครสมมิทัดเทียมได้เลยในโลกทั้งสามนี้แล้วการแสดงออกทงงางธรรมทุกแง่ที่มุมพระองค์ทรงรับรองยืนยันได้ผลมาแล้วจึงได้นำมาแสดงบรรดาสาวกที่ไดู้รปฏิบัติรดับต่างเพราะว่าจากพริเจ้าจงถึงกับได้บรรลุมรรคผลผ่ า, านก็ได้รู้ธรรมของจริงเช่นเดียวกัน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 แต่ความจริงเหมือนกันมีผู้รู้ความจริงผู้ปฏิบัติด้วยความจริงใจรู้ความจริงขึ้นมาเป็นผลการแสดงทำที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วจึงไม่มีการสะทกระทานไม่มีเนื้อสงสัยแสดงแน่ใดออกมาก็เป็นที่จับลูกจับใจทราบซึ้งซึงได้ผลเป็นที่พอใจในขณะที่ฝ่าย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 คอยรับกระแสธรรมที่ ท, าทา่านแสดงออกไปกระแสธรรมนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับใจใจรับรู้รับรทราบกระแสของธรรมไม่ขาดไม่ขาดตอนความรู้คือจิตจะคิดไปไหนก็ไม่คิดเพราะหนึ่งความสนใจค่ายกับการฟังอยู่แล้วสอง จิตใจไม่ได้คิดว่าจะส่งไปที่ไหนนอกจากจะมุ่งให้เขาอกเข้าใจในอัตธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นการตัง้งทำทางภาคปฏิบัติจึงสะดวกได้รับผลง่ายยิ่งกว่าการปฏิบัติโดยลำพิษโดยลําพังตนเองในครั้งพิจารณาจึงมีการอบรมสัมสอนกันอยู่โดยสนองเสมอดังในอภิหารยธรรม มันประชุมกันเมืนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกก็ความเพียงกันเลิกแล้วพร้อมเพียงกันทํากิจที่ส่งจะพึงทำข้อสําคัญที่ตรงนี้ไม่บัญญัติ ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญดัติไว้แล้วไม่รื้อถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไปแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในข้ออัดข้อทำที่ทรงบัญดัติไปแล้วด้วยดีพระเทระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลตันอยู่เป็นที่เคารพเคี่มใสก็ทำคำเคารพเคื่อมใสต่อท่านผู้นั้น หลักใหญ่ตรงนี้แล้วพยายามนักแปลงจิเหลืออุปยานปราบปรามจิตเหลือตัณหาอัจฉริยะซึ่งคอยแทรกคอยเกิดอยู่เสมอภายใ น, ในใจิตใจและให้ยินดีในเสนาสนะป่านะเสนาสนะป่าคือที่อยู่ ในป่าอันคันที่สง บ, บเงียบปราศจากสิ่งก่อควรมุ่นวายอั น, นทำความภาคเพยียงด้วยความสะดวกสบายวิเศษ จ, จะมีมากน้อยก็ค่อยหลุดลอยออกไปจากใจเพราะความเพียรสืบต่อกันอยู่โดยสม่ำเสมอในครั้งพุธการท่านถือเคร่งครับถือฝากเป็นฝากตายจริงๆกับการประพฤติปฏิบัติ การฟังธรรมพระพุทจาาและสาวกซึ่งเป็นอรหันทํางนั้นเป็นผู้ให้การอบรมเพราะฉะนั้นผลจึงเป็นที่พอใจด้วยแล้วศาากสนาเป็นที่อาศัยธรรมดาแล้วศาสนาเพื่อเป็นที่ฝากเป็นฝากตายฝากชนิดจิตใจจริงๆ การประพฤติก็เห็นผลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสิตถาคตก็ไม่ผิดพ้นคำหนึ่งถึงหลักพุทธทางธรรมังสังขังสนังกระฉามอยู่เสมออย่าให้ห่างเว้นจากจิตใจนี่เป็นหลักที่ฝากเป็นฝากตายได้ใหญ่แท้จริงอานาจของเจดตันหาอาสวะ จะไม่รุนแรงเมื่อจิตใจ ม, มีความมั่นคงมีความสนใจใกล่ต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็เหมือนกับว่ามีเครื่องป้องกันตัวการทำความเพียงอย่าไปกำหนดเวล่งเรื่อิเริอยียบบทต่างๆให้พึงทำอยู่ที่จิตคำว่าจะเป็นคำว่าความเพียนอ่างแค่จุ่ก็ได้แต่สติ เ, เครื่องประครับประความรู้ตัวอยู่เสมอเช่นผู้ฝึกหัดใหม่เริ่มต้นด้วยคําบริกรรมภาวนาเช่นพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นก็ให้จิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคําบริกรรมภาวนาของตนด้วยความมีสติอุปานิรณาทางด้านปัญญาสติเป็นสิ่งที่บังคับวิรกรรมกลับมา ให้เกี่ยวโยงกันไปกับปัญญาให้เกี่ยนเนื่องกันอีกเสมอในทางความเพียรเราฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นองค์เลือดประเสริฐสุดในโลกทําเป็นของประเสริฐเราต้องการจะพ้นทุกข์ด้วยอํนนานาจแห่งธรรมด้วยอำ น, นาจแห่งการปฏิบัติเราไม่หวังจะล่มจม อ, อ, อยู่ในกรองทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อมหน้าเอื้อมละอามากถ้าผู้จะคิดในเรื่องแง่แห่งกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ใน สัตว์แต่ทังขาตัวทั่วไปโลกไม่ได้อยู่โดยความเป็นอิสระแต่อยู่ด้วยความถูกทุกกฎขีดบังคับตลอดเวลาหากไม่มีคนสนใจจึงไม่อยากจะแยกตัวออกจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะหัวถลําเข้าไปด้วยความสนใจก็มีเป็นความรู้เท่าในทัการก็ดีด้วยความชอบสิ่งน้้นสิ่นั้นโดยไม่คํา น, คนึงว่าสิ่งนั้นมีเจือด้วยยาพิษหรือไม่ก็มีมีหลายประเภท มีเราเป็นนักบวชซึ่งรู้เรื่องแล้วทุกแง่ทุกมุมบรรดาโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เราได้ผ่านมาแล้วพอตรงผุดเพราะนั้นเราอย่านําโลกเข้ามายุ่งขวนด้วยความอยากความหิวความกระหายความอยากที่ยะกุลเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเครื่องขอบวิเดศตัณหาให้เกิดขึ้นเผาลงจิตใจให้พึงคิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำอันจะเป็นไปเพิ่ม ความตอบทอนี่เด็กปัญหาอาสวะซึ่งจะนำมาถุงทุกข์ทั้งหลายนี้ออกจากใจโดยระดับด้วยความเปลี่ยนของตนในท่าและเดียบทตต่างๆอย่าได้เผลอตูนอนใจนี่คือว่าผู้จะสืงภอดมรดกของพระพุทธเจ้าไว้ได้และเป็นคุณค่าอันใหญ่หลว ง, งนี้นเป็นสิ่่มงคลอันใหญ่หลวงแก่ตนลตลอดอนันตกาหาประมาณไม่ได้กิเลจะมีประเภท จะเป็นประเภทใดก็ตามนี้มากน้อยเพียงไรย่อมจะเป็นเครื่องเสียดแทงนิกกิดความจิตใจอยู่ร่ำไปท่านจริงจำหนี้ว่าไม่ใช่ของดีเรื่องของกิเลสนั้นมีหลายสารหลายขงส่วนมากให้เป็นเหยื่อล่อให้หลงเธอแล้วกานําทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายทีหลังหลังจากฉากนั้นแนวก็เป็นฉากของทุกข์นั้นเกิดขึ้นมา นะครัาการทำความเข้าใจกับเรื่องของโลกซึ่งมีอยู่กับตัวมีอยู่กับทุกคนอย่าได้ประมาทนอนใจการทำความเพียนเพื่อความพ้นทุกจะยากลำบากเพียงไรท่านถือว่าเป็นงานอันตนจะพึงทำหลีเลี่ยงไปไม่ได้ถ้าต้องการพ้นจากทุกซึ่งจิตความกดนจิดใจอยู่ตลอดเวลานึงทานจิตใจเป็นอิสระ อย่าพึงทอถอยทาความภาพเปลี่ยนอย่าไปคำนึงว่าวาสนามากวาสนาน้อยในขณะที่จะทําความดีมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อมรุญผ่านเป็นพิธีถ้าจะคิดว่าอํานาจวาสนาน้อยให้คิดในขณะที่จิตเลื่อนลอยเผลอตัวออกไปพอระ ล, ลึกได้ก็ให้ทราบว่า น, นี่เป็นการสั่งสมเป็นการตัดทอนนิสัยวาสนาของตนให้ด้อยลงไปโดยลำดับ ธรรมะคนนี้นิสัยวาสนาก็จะขาดทุนไปเพราะ ค, ความชั่วเป็นสิ่งทำลายหรือเผาผลาญให้วอดวายไปการทำความดีตลอดเวลาก็คือการสร้างอำนาจวาสนาขึ้นภายใิตเพื่อจะปราบตามสิ่งที่เป็นกา้าสิมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองใครจะไปสร้างวาสนาที่ไหนถ้าไม่สร้างที่ใจวาสนาธรรน้อยแค่ไหก็เกิดพิ่งที่ใจเป็นผู้สร้างได้ เราอยากเข้าใจว่ามรก่งหุยพานจะหืนห่างจะอยู่ห่างกันจากปฏิปทาคือข้อปฏิบเช่นเดียวกับบันไดมีความเกี่ยวเนื่องกันกับบ้านเรือนถึงรามบ้านช่องจะสูงเพียงไรบันไดต้องปิดแนบไปทุกๆชั้นของบ้านของดินทำทําน้าธรรมะจะสูงขั้นไหนซึ่งเป็นฝ่ายทน ธรรมมาปลายเหตุคือข้อปฏิบัตินะจะเป็นปิดแน่กันไปทุกขั้นทุกภูมิเพราะผู้ที่จะกล้าวเข้าถึงทําขั้นนั้นๆก็ต้องเป็นไปตามทําขั้นเหตุคือทางดําเนินนี่ทางดําเนินเพื่อพระปุณณภารอยูที่มัตติมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาทังกะโป้ซึ่งเป็นองค์แห่งปัญญาท่านนออําออกหน้า เหมือนกับคนฉลาดนาหน้าคนโง่ทั้งหลายหัวหน้างานเขาหาคนฉลาดไปแต่คําเอาคนโง่มาเป็นหัวหน้างานเพื่อจะทางานให้เสียแล้วตลอดถึงลูกน้องเขาจะอิดนาละอาเจย์พ้นงานก็ไม่ได้ดีไม่ดีทํางานแล้วกี่ฝายป่วปีนไปหมดเพราะความโง่ของหัวหน้ามีการแก้กิเลสปัหาซึ่งเป็นสิ่งฉลาดแล้มคมมากเหนือสิ่งใด น, นอกจากสติปัญญาแล้วแก้ไม่ได้จึงต้องอบรมสติปัญญา ให้แก้วกล้าสามารถอย่าได้ลดละนี่แล้วคืออาวุธอันทันสมัยกับกิเลสไม่มีกิเลสตัวใดที่แบบฝ่าฝืนมีงหน้าจกดขี่บังคับสติปัญญานี้ไปได้พระพุทธเจ้าสิทธสัจสรลุเพราะพระสติปัญญาพระสาวกทั้งหลายไม่เว้นได้บรรลุธรรมด้วยสติปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นสาคัญสติปัญญาจึงเป็นธรรมคงเส้นคงวาต่อ การปรา ก, การพิอเดชท่าไหนผู้ต้องการจ ะ, จะพ้นจากทุก์โดยลำดับภายในจิตใจในี้ให้พึ่งสั่งสมสติปัญญาศรัทธาขันธเพียงให้เกียรกล้าสามารถแตะโลละท้อถอยสมบัติอันควรใจจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี่แหละไม่อยู่ที่อื่นเราจะไปค า, า, า, าดมะขุนพันมาอยู่สถานเพียงที่มีเนไปเป็นเรื่องเกา่าสถานที่ไม่ขันตะครุบหน่อหาตัวจินไม่ได้ ตัวจริงมีอยู่กับสัจธรรมสัจธรรมกับมรรคนิพพานเป็นของเจิตเนื่องกันอยู่แยกจากกันไม่น่าและไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจบัญนาม막กั้นก า, กามมรรคนิพพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยมัคคิมาปฏิปปทองนี้ได้เลยเรื่งที่เป็นมานกั้นกางมรรคนิพพานก็คือยิ่เด็ดปัญหาอสุราซึ่งเกิดขึ้นจากใจเป็นเครื่องทาลายใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่าง อ, อื่น ทุกขังอริยศจางท่านบอกให้พึงกำหนดรู้คือทุกนั้นเป็นเครื่องเตือนสติพูดง่ายๆว่า hmm. พึงกำหนดรู้ทุกเป็นเครื่องเตือนให้สติปัญญาที่จะมาคลี่คลายความที่คลายนั้นได้แก่ปัญญาความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเป็นส่วนส ม, มุทยัยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้น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 นี่เกี่ยวเนื่องกันอีูอย่างนี้สมุทัยพึงละเราเราจะเอาอะไรมาละสมุทยัยพระหตัตถบัญญิเมธีคอยซึ่งเรพึงละสมุทยัยถ้าไม่ละโดยมรดจะละด้วยอะไรนั่นเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้คำว่า น, นิโรธความดับทุกเอาอะไรไปดับถ้าไมเอามรดไปดับกิเลส ก, ก็ก่อน เมื่อกิเลสดับทุกข์ก็ดับไปเองความที่ทุกข์ดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่า น, นี้รูมันควเป็นความเกี่ยวเนื่องกันทํางานในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันเลยเราไปแยกไปแยกเลียงลายกันไปเท่าไหร่ก็ได้สำคัญที่การปฏิบัติเนี่ยทุกข์กับสมนุทยัยเป็นตัวกัก้นกลางมรรคผลนิพพาน ซึ่งทำทั้งสองประเภทนี้ด้วยสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็มีอยู่ในใจของเราเป็นผู้กิจขวางรวมใจก็คือสัจธรรมทั้งสองนี้มักที่การแย้งใช้การขอดถ อ, อนกิเลสกัญหาอาสวะเพื่อจะให้ทุกข์ดับไปก็อยู่ที่ใจของเรานี่เป็นฝ่ายบุกเบิกถากถานฉีนวอกกลุมลังใต้าเกศกิเลสอาสวะต่างๆ ซึ่งเป็นศัตธรรมทั้งสองนั้นได้แก่ทุกสมุนไทยมาร์กนี้เป็นผู้มีอำนาจถ้าสร้างให้มีมีได้แล้วปราบมารทั้งหลายหรือสิ่งที่ลบถูลังทั้งหลายออกได้เป็นนิโรธขึ้นมาทมทั้งสี่นี้ทาหน้าที่เกี่ยวโยงกันโดยไม่ต้องไปตั้งวาระ ทำงานทั้งสีประเภทนี้ว่างานไหนจะทําก่อนงานไหนจะทำหลังเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องเตือนสติแล้วว่าให้จิตคิดคิดคิดนาตามสาเหตุทุกข์นี้เป็นผลสาเหตุที่ได้เกิดทุกข์นี้ที่เกิดทุกข์เวลานี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องอะไรเช่นทุกข์ใจเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเราเกลียดคนนั้นเราชังคนนี้เราเป็นทุกข์เพราะเรารักสินั้นรักคนนั้น เป็นเรื่องของจุมภูไทยทิงนั้นทำามาจึงต้องรักอะไรมีอยู่ในที่นั้นจึงทําให้ให้รักให้ปิดใจเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนเป็น ร, รักบุคคลนักคนนักหญิงนักฐานอะไรเป็นหญิงเป็นชายค้นคว้าดูเอาตัวเราเป็นตัวประกันเป็นตัวแบบฉบับค้นดูในตัวนี้ก็ได้ค้นดูข้างนอกก็ได้คลี่ดูคลายดูตั้งแต่นหนังเข้าไปจนถึงเนื้อถึงเอง็น ถ, ถึงกระดูก ทิกข ท, ทุกข์กวนภายนร่างกายของคนมีที่น่ารักที่ตรงไหนนี่คือสมุนต์นีคือมักเป็นเครื่องแก้เพื่อคลาความรุ่งหลงลมมาสองใจทีนี้เมื่อพิจารณาเข้าใจทัดเจนแล้วก็ก็ปล่อยวางกันเองเ่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความรักทางเสลียดความโกรธก็ดับไปเองเพราะดับสาเหตุแล้วผลจะมีมาจากไหนก็ดับทั้งมันไปเองน การปฏิบัติต่อสัจธรรมมีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติมาโดยนิยมม่าจะปฏิบัติอย่างในก่อนอย่างไในหลังไม่มีข้อข้ อ, ขอวังคาไม่มีกฎเกณฑ์แต่หลักธรรมชาติแล้วก็ทุกเป็นเครื่องเตือนให้เกิดสติระลึกรู้เรื่องของทุกแล้วค้นหาเหตุที่เป็นทุกได้แก่สมุทยัยด้วยมากคือสติปัญญาเป็นสําคัญเมื่อ ทั้งสองอย่างนี้คือสมุทัยกับมรดได้เกี่ยวโยงได้เกี่ยวข้องกันทําหน้าที่ต่อกันในสําเร็จไปมากน้อยเ่องความทุกข์ผูดับไปโดยลำดับหนึ่งเป็นความแสดงออกแห่งนิโรธตามขั้นตามภูมิของมรดที่ดับทุกได้จนกระทั่งดับทุกได้โดยอํานาจของกติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลือพอที่จะตป็นปัจจัยใด้เกิดทุกข์อีกเลย อันนั้นนิโรธแสดงเป็นผู่มหลังจากนิโรธความดับทุกเต็มผู่มเพราะอำนาจอำนาจได้ดับที่เด็ดอันเป็นสายแห่งทุกข์สิ้นสุดจงไปแล้วอันนั้นเลยจากสัจธร ร, รมคืออยู่ขนังหนึ่งต่างหากจากสัจธรรมในสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเรียกวานิพานเรียกไม่ได้เพราะเป็นกริยาเป็นอาการ ฝ่ายสุฝ่ายทุกถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือนกําำลังรบกันพลัมูลรุ่นมนายจะหาความชณะใช้นะในขณะนั้นได้อย่างไรฝ่ายไหนมีกำลังน้อยฝ่ายนั้นพ่ายแพ้ไปฝ่ายนั้นมีกำลังหน้ามากฝ่ายนั้นเป็นผู้ครองอหนาจนั่นหลังจากรบกันเรียบร้อยแล้วสงครามจึงสงบลงไป ด้วยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้นี่เมื่อสัจธรรมทั้งสี่ทำงานต่อกันจนสิ้นสุดยุติลงไปแล้วอย่างเป็นภูมิของเหตุของผลผู้ที่รู้ว่าสิ้นสุดแล้วซึ่งสงขาในระหว่างแหงสัจะรรมทั้งสี่ต่อสู้กันหรือทำหน้าที่ต่อผู้นั้นไม่ใช่สัตจธรรม คือนอกเหนือจากสัจธรรมทั้งสีทุกเกิดขึ้นแล้วทุกกระดับไปชูมูไทยเกิดขึ้นแล้วชมมูไทยก็ดับไปมารทำหน้าที่แล้วมารก็ดับไปนิโรธทำหน้าที่แล้วนิโรธก็ดับไปผู้ที่รู้ว่าสัจธรรมทั้งสีแสดงอาการขึ้นระดับไปยุติลงไปแล้วนั่นแหละคือผู้เหนือสัจธรรม ผูนอกจากสัจธรรมได้แก่วิมุตตความลุพจนท่านจึงแยกออกว่านิพพานเรายอมรับทันทีหาที่ค้านไม่ได้ว่าพระองค์ท่านนี้ไม่มีอะไรจะสมมงหมืนแล้วแยกออกมาเป็นมรกสี่ผลสี่นิพพานนะท่านระหว่างมรรคกับผลกำลังทำงานอยู่นั่นยังไม่สิ้นสุด เป็นนิพพานอย่างไม่ได้จนกระทั่งอ น, น้ยติเมืองวะไรพอมากก้าวไปถึงผลผลกับเหตุได้ยุติจากกันนั่นแหละเรียกว่า น, นิพพานนิพพานสำเร็จอรหตัตผลท่านพูดตัวอย่างง่ายๆสาเร็จอรตัตผลแล้วสำเ ร, รผลคือมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนั้น แต่เวลาแยกไปจริงๆแล้วก็นิพพาน น, นั่นเองพอมากกับผลทาหน้าที่ต่อกันยุติลงอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นนิพพานขึน้นมาขณะมากกับผลที่ก้าวกันที่ปฏิบัติต่อกันอย่างนั้นยังไม่เรียกว่านิพพา น, นได้เหมือนอย่งเราก้าวขึ้นบันไดเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนบ้านแล้ว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 ในขณะที่กําลังทํางานอยู่ไม่เรียกวันใ้ผ่านอย่างเพราะยังไม่เสร็จขึ้นกิจที่ทำํำทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ภายใจิตใจของเราทุกคนพระพุทธเจา้าก็ทรงปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้พระสาวกก็ปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสีนี้เป็นผูรูปป้รอบขอบยิตในสัจธรรมทั้งสี นี่แล้วจึงได้ปริญาณตนว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากที่เลสอาศะเป็นผู้ถึงแล้วซึ้นแดินในกระแสหรือได้ตรับสรู้แล้วซึ่งทําอันประสริฐดันมันรู้แล้วซึ่งทําอันประสริฐอยู่ที่ตรงนี้เราอยากประชิดข่าสถานที่นั่นที่มีเึ็นพระพุทธจ้าตรัสรูอยู่ที่อินเดียตั้เพ็นอยู่ที่นั่นบําพเปนนี้ เป็นประเด็นอารมณ์อยู่กับนิง่งจนลืมหน้าที่ของตนการพูดปฏิบัติของตนเพื่อรับคนไปทำอยูอ่ภายในใจของตนไปเสียเขาเรียกว่าตะครุบหนับหาเก่าที่ไม่เป็นพระพุทธเจ้าทรงสอนลงถึงธรรมะไม่ว่าแต่แหนใดสอนไม่นอกเหมือไปจากกาว า, จาใจของเหล่าเนีเ่ชื่อของธรรมอยู่โน้นสอนเข้ามาที่นี่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 อย่างนี้ตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมอยูรร่เสมอเป็นธรรมเหมาะสมตลอดการในการแก้กีิเ็กปัญหาอัสวาทุกประเภทไม่ว่าใครจะบำเพ็ญใครจะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ใดียบทใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เทิดทูนสาธนาธรรมและเป็นผู้มีหวังที่จะได้เอื่อมถึงมรรผลนิพพาน ด้วยข้อปฏิบัติของตนโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องลงในจุดนี้เป็นจุดที่ถูกต้องที่สุดอยู่ที่ไหนให้มีสติสตินี่เป็นของสําคัญถ้าสติอยู่กับตัวจิตใจก็ไม่เพ่นพ่านได้แม้กิเลสปัญหาจะมาพ่อคุณก็เป็นไปเพราะความเผลอจีิงจริงมาถึงขั้นที่จะทดลองกันแล้วมันก็ไม่ คิ ด, คดเพื่อทดลองตัวเองนี่คิดออกไปทางฝ่ายทัสมุทยได้แต่เป็นสมุนไทยเพื่อทดลองก็เรียกว่าเป็นมากถยู่โดยปริยายเห็นเวลาจิตมีความแก่กล้าสามารถในเรื่องอสุภะอสุพังมองดูหญิงดูชายที่ไหนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดอันนี้ย่อมระงับเรื่องของราคะระงับมากไปมากไปจนกระทั่งไม่ปรากฏราคะคือความกำหนับความรัก หวยรักรำนั้นปรากฏขึ้นที่ใจเลยไปอย่างละเอียดละเอียดและหมดไปมีคือลางรักไม่ใช่หมดจริงๆทีนี้คำทดลองก็คือเมื่อมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วทําไมจึงไม่แสดงแสดงความเด่นชัดให้เห็นว่าหมดแล้วในขณะนั้นสิ้นแล้วในขณะนี้จากราคะตัณหาเป็นเพียงว่าค่อยหมดไปหมดไปเป็นตาเป็นไม่ปรากฏราคะเหรืออยู่เลย จิตใจพอกําหนดดูรูปร่างหนุ่ชายใดมันเป็นอัจฉริยะดุพังเป็นมไปหมดทั้งร่างแล้วมันจะเอาความกําหนดยินดีมาจากไหนเพราะฉะนั้นความสหนัดยินดีนั้นจึงหลบซ่อนตัวเหมือนกับหินทับยาผู้ไม่พิจารณาอย่างรบอบครอบเข้าใจว่าตนชิ้นราคาแล้วนั่นคือความเข้าใจผิดด้วยความมักง่ายความสับแต้วของประเด็อเมื่อเป็นแค่นี้แล้วในะขั้นที่จะเอาความละเอียดละอ่ เพื่อถึงภูมิความจริงแห่งความจิินราคาจริงแล้วจะต้องไดทดลองกันการทดลองด้วยความจงใจไม่มีความเสียหายแต่อย่างไดความเป็นไปด้วยความถือตัวเบื้อง น, นาจของสมุทัยนี้จึงหาทางยับยั้งไม่ได้ส่วนความเป็นไปของจิตที่นำสิ่งเรา นั้นมาทดลองเทียบเคียงเพื่อจะหาความจริงจากสิ่ง น, นั้นแม้จะแยกให้เป็นสมุทยัยเพราะการปรุงสิ่ง น, นั้นให้สวยให้งามขึ้นมาก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของมรรคเพราะปรุงขึ้นมาเพื่อทำลายปรุงขึ้นมาเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อเห็นเหตุเห็นผลกันอย่างชัดเจนนี่ก็เคยปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันเพราะเมื่อถึงขนนั้นแล้วมันไม่มีทางไปมีแต่สุภาขวางหน้าอยู่หมดสุภา กลดิบตัวขึ้นไม่ได้มองดูสินใดมีที่เรื่องอสุภะสุภาพเป็นเนื้อเป็นตัวแม้จะสัตว์ดุร้ายฉานมองไปก็เพราะอำนาจแห่ ง, งาาพิปัสินาคือปัญญามันทะลุปูโง่ไปหมดพิจารณ์จิตมีความชํานาญในทางใดเช่นทางอสุภะ้าอสุภะนั้นมันเด่นในอาการใดเช่นเด่นในเนื้อเด่นในหนังมันก็ทะลุเข้าไปถึงเนื้อนหนังทะลุเข้าไปจนมาะทา่งถึ ง, งแตกกระจายไปเลย หาสัตว์หาบุคคลไม่ได้ในเวลานั้นรวมแล้วเป็นกองอรุปะเต็มวินเต็มย่าทั้หมดเต็มร่างของคนคนนั้นพอเมื่อมันเป็นอรุปะหน้าเบียดหน้าอินาราย์ใจท่นั่นราคาจะไปกำหนดได้ยังไงในกองอรุพะขึ้นเป็นเหมือนปัาชาที่ดิบแล้วนั่นแหละราคาหมอบหลบช่องตัว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 ความทดลองกงหมดสิ่งที่จะพิจารณาให้เป็นสุภาษะสุภาษะอะไรมันก็หมดไปหมดปัญหาคําว่าสุภาษะสุภาษะเขาเพื่อจะแก้ราคาอันเดียวนั่นเองการพิจารณาเมื่อถึงขั้นจะต้องนํามาทดสอบอย่นี้ต้องแน่นหนาในระยะที่ไม่ควรจะเรื่องสุภาษะสุภาษเข้ามาเกี่ยบข้องกับปีติเลยก็มีให้มีแต่สุภาษะเป็นเนื้อเต็มตัวทุกอียบท ไม่ว่าเจออะไรให้กำหนดพิจารณาเป็นเรืเฑฑ่องอสชญากุต่างเป็นปัญหาผีดิบผีตายไปทั้งนั้นนี่คือทางดําเดิ น, นเพื่อที่จะาคาตาาันหาอันนี้เป็นของละเอียดมากเหมือนกันแต่สติปัญญาไม่คันก็แก้ไม่ได้ดังนั้นก็ไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาเอาหนักก็แบกขวางคออยู่ก็คือเพราเราอยากได้ของดีเราจะเห็นจากรู้ของจริง พิจารณาลงให้เต็มไม่เต็มหน่อยปัญญาถึงคราวใช้แล้วอย่าถนอมบัวจะมันผิจะแตกว่าปัญญาจะมากเกินไปถึงเวลาชา้ชาช้ให้เต็มผงถึงเวลาจะเข้าสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาเหมือนไม่เคยพิจารณามีแต่หน้าที่เดียวที่จะทำให้สงบด้วยาอาการใดที่เราเคยพิจารณา แม้จุดด้วยบทบริกรรมก็ได้ไม่ถือว่าสูงไปต่ำไปเพราะเป็นธรรมอยู่กับจุต ด, ด้วยกันเป็นอุบายที่ทาจิตให้มีความสงบเดยือกเย็นเนืรับความผาสุกในขณะภากจิดเหมือนกันสงบไม่ตังบนกับเรื่องความคิดอ่านด้วยสติปัญญาเลยทั้งสิ้นมีแต่สติกำ ก, กับเพื่อใจให้รับความสงบถ่ายเดียว นี่ชื่อว่าทํางานไม่ก้าวไก่ไม่หยิดไม่จับจดต้องทอําำหนังนั้นเมื่อยิตมีความสงบแล้วย่อมมีกําลังมีความเยือกเย็นมีความสุขความสบายเบาจิตเบาใจแล้วทํางานต่อไปร่ายแก่การพิจารณาคลี่คลายอาการต่างๆของธาดกันทั้งภายนอกภายในตามแต่จะเป็นความหนักใจในเวลาใดก็ตามเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งภายนอกภายในถ้าพิจารณาให้เป็นมาเป็นได้ พิจารณาให้เป็นสมุทัยแม้แต่ร่างกายตัวเองที่สําคัญมาเป็นของเถื่ ง, งามก็เป็นการสังสมดวงไทยได้แล้วมองเห็นลูกภายนอกเกิดความรลกความกําหนัดยินดีก็เป็นุมุไทยได้แล้วอย่างเต็มตัวการพิจาราแยกแยกเพื่อความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะถอดถอนตัว อ, ออกมานั้นทึงไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมรรคเื่ากันทั้งนั้นอชัตตวาภิชิตาวากายเยกายานสุสีวิหารติน กายนอกดูกายนอกนุก็ได้ดูกายในกายกายนอกกายในที่การตรวจดูกายใน ก, า ย, ในกายคือส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะทั่วไปในร่างกายของเรานี้ก็ได้แน่ตั้งเดชตัว่าในก็ติปัฏฐานสี่อะทชันชาปิกุกายเยกยานุสีหาติอิทัปิกุ อัดตังวาบิอัตังวากายเอกายนปิญิทาวากายเอกายนุสีกาาอัตทาวากายเอกานหาิยะธรรมะธรรมากายิหาิธรรมากายิหาิสุิยะวยะธรรมากายสิหาิอิโอิโอติโอิกายอิโกายอิกายโตาปนัสาปนสติปับัติกาหต นัก็ยนนังนมัตตาญาปะิสติปัตตานาเยะเรื่อยเลยวันนี้ถ้ท่านจะอิทุนียกว่าอิท่าพิคุ ก, กายะกายานมีหาสติพิจารณากายในกายกายนอกก็ดีกายในก็ดีกายในกายก็ดีด้วยปัญญาท่านเรียก ว, ว่สาสติปัฏฐานพิจารณาความเกิดขึ้นความเฉพาะความเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็ความดับไปก็ได้หรือทั้งเกิดขึ้นและดับไปของ สิ่งต่างๆภายในร่างกายนี้ก็น่าพิจนากายพิจนาจิตนี่ก็เหมือนกันแล้วให้พึงทําความเข้าใจว่ากายนี่มีอยู่อัตติกายโยติวาปนัสสติปจุปติกาห้อให้พึงทําความเข้าใจว่าการมีอยู่นล้วพิจนาในสิ่งที่มีอยู่นั้นให้เห็นชัดเจนรู้ก็เห็นสักแต่ว่ารู้ญาปนัสสะสติปจบัติกาห้ติให้มีสติจำพ่ะหน้าอยู่เสมอ จักแต่วรู้ไม่ยืดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายในขณะนั้นทันห้าไว้อย่างนันงเวทนาจิตธรรมก็มีนัยยะเหมือนกันผู้พิจารณาสติปัฏฐาน4กับอริยสัจสีตามแต่ความถนัดเป็นเรื่องเดียวกันผิดกรรมแต่เพียงว่าอาการเหตุกายเวทนาจิตธรรมกายไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรเนี่ยอิจก็เป็นสัจธรรมได้ เพราะมันมีทุกมีทุงใอยในนั้นแลวมีมากกว่าภายในจิตนั้นด้วยนิโรดดับทุกข์ดับทีท่จินั้นแน่ถ้ามีทั้งหมดจเรี่อง่ก็จะทำเรืเวทนาคือตัวก็ตัวที่ข์ในใจตัวทุกข์นะเวทนาควาสุขทุกข์วางไงเริ่มต้การพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้นอย่นอนตายเรื่องปัญญา คนที่จะพิจารณาเมื่อไรให้พิจารณาเต็มเห ต, ตุเต็มผลเต็บัตรเต็มปูอย่าไปคอยว่าให้สมาธิแน่หนาคงได้กับพิจารณาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันมาถึงการเวลาที่จะควรพิจารณาให้พิจารณาเมื่อพิจารณาไปมากๆเข้าใจชัดเจนซึมซาบเข้าไปดืด้อับแล้วสมาธิก็สงบลงได้ธรรมะจะแสดงออกมาการพิจารณาเพื่อจะถอดถอนสิ่งกังวลทั้งหายด้วยความรู้แจ้งถึงจริงทางปัญญา จิตจะสงบไม่ได้ยังไงต้องสงบพิจาราจะพิจารณาให้เป็นความสงบโดยลําพังเช่นอาศัยบริกรรมบุไดบุญด้วยจิตที่มีฐานเนสมาธิแล้วกําหนดเอาเพียงจิตที่เฉยมันกรลงเองนี่ก็เคยมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยโดยด้วยนนท์เดาๆเคยมาแล้วให้รวมด้วยคําบริกรรมสงบด้วยคําบริกรรมก็เคยมาแล้วสงบด้วยสติปัญญาพิจารณาคุ้นคว้าที่เรียกว่าปัญญากุมสมาธิก็เคยดาเนินมาแล้วถึงกับต้องถิ่กเขียนออกมาเป็น หนังสือวหนังสือปัญญาลงสมาธินะหรือจะกำหนดลงโดยลำพังจิตเลยเมื่อจิตมีสานั่งสมาธิแล้วก็ลงได้เลยมีสามอย่างด้วนกันอย่างไหนก็ตามจิตสงบได้แล้วเป็นถูกต้องแต่พ อ, อย่างยิ่ง ป, ปัญญาในเวลาเราใช้ในขณะที่เกิดความเกิดความคับคับขันขึ้นมา นั่งมันเป็นทุกขเวทนามากหรือเราเก็บค่าได้ปวดลงมา ก, มากเอาความเจ็บความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเก็บค่าได้ปวดนั้นมาเป็นเป้าหมายมันเป็นสนามรบพ้นคว้าอยู่ตรง น, นั้นหมุนติ้วอย่นั้นมันก็เป็นปัญญานา้ปัญญาประเภทความสงบของใจที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทางด้านปัญญานี้มีความอาจฐานอทธิฤกษ์ผิดกับสมาธิทั้งหลายนีการ อุบาสิกาณ์มาสติเป็นของสําคัญอย่าลดละเปิดวางไม่ว่าจะไปที่ไหนมาที่ใดอยู่ในสถานที่ใดเอียบุใดสติเป็นของสําคัญมากที่จะคอยจดจอ่อจิตให้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ลดละจิตก็มีคุณค่าในขณะที่มีสติประคองตัวอยู่ถ้ามันมีสติจิตเละล่นอนทะเลไหลไปเข้าพ้นเข้าดากเข้ามดนี้ สติเป็นของหักห้ามเป็นสิ่งสําคัญจริงต้องมาชี้แจงมาด้วยสติเสมอทางปัญญาก็ด้วยสติทางบริกรรมก็ด้วยสติจะกําหนดลงเฉยๆให้จิสมมมตสงบลงไปเพราะความในฐานในสมาธิแล้วก็คือสติลงหน้าท่านั้นสติเป็นธรรมจาเป็นอยู่มากเพราะว่าความเพียงประเภทด่างสตินี้จะประับใจักทำไได้เลยสติเป็นของจํสเป็นในงานทุกขั้นของงาน ไม่ว่าปัญญาขั้อยากขั้นกลางขั้นละเอียดไม่ว่าสมาธิขั้นใดสติเป็นต้องแนบติดแนบบิดตลอดเวลาจึงจะจัดว่าเป็นงานเป็นการเป็นขนเป็เหียอขึ้นมาไดอ้อันนี้เอาตัวแค่นี้ไปก่อนต่อไปถ้มีงาที่บางเร่ต่างเนื้อเื่งบางเงบางเรื่องในการ